วินีตวัตถุเรื่องหญิงหลับหนึ่งเรื่องส4 1รสมัยนั้นชายคนหนึ่งสั่งภิกษุรูปหนึ่งว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ภิกษุไปถามพวกชาวบ้านว่าหญิงคนชื่อนี้อยู่ไหนหลับอยู่เจ้าข้าท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตรสังฆาทิเศหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพรองตรัสว่า ภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัติทุกกฎวงเล็บเรื่องที่หนึ่ง